ส ง, งบกายส ง, งบใจให้มันพร้อมกันเอากายฟังแนวใจหูกายฟึงหูเป็นคนฟังคือมีอาน จ, จะตะนักมียพัฒษาซยก่อนมีพัฒนาเป็นเพื่อนรู้ฉะนั้นเรียกว่ากายกายฟังใจคุณรู้ถ้ามันมีใจ พัดสาจเจตนาก็ไม่เกิดความรู้มีใจมันเกิดพัดสายเจตตะรู้ขึ้นมาภายในมันต้องพร้อมกันท่านมีแต่พัดสะท่ามีแต่ใจอันเดียวปรสาทคือความรู้มันก็ไม่มีเหมือนกันอยากคดตายแล้วไอ้ตาไปอยู่ไหนไม่มีหูหรือฟัง ก็เลยไม่รู้เรื่องครับบางคนที่ยังอยู่ก็ไม่รู้เรื่องบางคนยังอยู่นิเทศในกันฟังจึงจะพร้อมด้วยกายโดยว่าโดยใจการฟังเทศมันต้องเอาสองอย่างนี้ฟังจึงจะดูเรื่องนะครับการฟังเทศก็เหมือนกันนะถ้าฟังไม่ตั้งใจฟังก็ไม่เข้าใจ ตั้งใจฟังแล้วแต่วความสงบไม่เพียงพอมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะธรรมะต้องอาศัยความสงบจิตสงบแล้วยังค่อยฟังธรรมยังค่อยออกฟังธรรมมันค่อยรู้เรื่องจิตมันสรงสายวุ่นวายด้วยอารมณ์ต่างๆคิดนึกโน่นนี่สาระพัดทุกอย่าง เลยกลายทําไปไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมไปในใจแค่ที่จริงท่านเทศท่านสอนก็ไม่ได้สอนที่อื่นหรอกสอนกายกับใจแล้วเนี่ยไม่ได้สอนไหนพุทธตาสนาในทั้งมุตก็ไม่ได้สอนอื่ น, นอะไรนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีแล้ว คนมีใจจะค่อยฟังธรรมเทศนาพระเจ้าได้ใจเป็นของเป็นใหญ่ในสรรพัดทุกสิ่งทุกประการมีใจอย่างเดียวเท่านั้นเป็นใหญ่กว่าสิ่งของมดจริงนะควงมดในโลกไม่รวมที่ใจอย่างเดียว เราฟังที่ใจแล้วเห็นที่ใจเรารู้ที่ใจจึงนั้งดวงวัดจังพ น, นียังค่อยเกิดคนรู้ยังค่อยเกิดฉลาดขึ้นมาเราปฏิบัติบางทีบางคนปฏิบัตินานแสนนานเอาใจเอากาเอาใจรานปฏิบัติ ปฏิบัตินานกันเท่ารทไรก็ตามเถอะยี่จิตสั้งที่ตีก็สุดแล้วเถอะแต่ไม่เห็นใจซักทีเอาใจปฏิบัติ ท, ทําไมไม่เห็นเอากายเอาใจปฏิบททัติจะไม่เห็นากายเห็นใจมันไปอยู่ไหนกันคําว่าใจน่ะนะคำว่าใจเรามีอยู่เลยครับปฏิบัติ การปฏิบัติปฏิบัติที่กายที่ใจนะปฏิบัติไหนกันแล้วไม่เห็นเหมือนไม่เห็นใจปฏิบัติไหนกันมันยากตรงนี้อาการปฏิบัติเรื่องไม่เห็นเนี่ยมันยากเราจับมาจับควายมาฝึกฝนอบรมได้ตัวมาแล้วมงคนมาอบรมได้ ถ้าไม่ได้ตัวไม่เห็นตัวมันจะอบรมที่ไหนกันอบรมฝึกฝนสัตว์ต่างๆเป็นมา้าเป็นวัวก็เหมือนกันเนอะถ้าไม่ได้ตัวใจแล้วมันก็ฝึกฝนไม่ได้อะไรสิจะฝึกฝนที่ไหนกันลองคิดดูเที่ยวป่าเที่ยวรถเที่ยวบ้านเที่ยวเมืองเที่ยวไปทุกกิจทุกทาง สารพัดวัสดุไปทุกคิดทุกทางเข้าใจนั่นแหละไปปฏิบัติเอากายน่นไปปฏิบัติเพื่อเหตุใจนั่นไปไหนก็เอาไปด้วยเอาไปปฏิบัติในป่าก็นียปฏิบัติในบ้างก็ดีปฏิบัติในภูได้เขาก็ดีในเหนียวในห่วยที่ไหนก็เอาเอาใจนั่นะไปปฏิบัติไปก็เอาใจนั่นไปปฏิบัติก็เอาใจนั่นปฏิบัติ แล้วทำไมจะไม่เห็นใจบางคน น, นะหนูอยู่ไหนก็ปฏิบัติได้หรอไม่ต้องป่าไม่ต้องไปป่าไปหรอกจริงอยู่ห่ะอยู่ไหนก็ปฏิบัติเอากายเอาใจ่ะปฏิบัติเหมือนกันทุกคนนั่ะไปเที่ยวบ้านก็ได้ปฏิบัติป่าก็ได้อยู่ในวัดในวาอยู่ในบ้านในช่องได้เมดถ้าเห็นใจแล้ว ถ้าไม่เห็นใจเธอไปเถอจะเดินไปรอบโลกก็ไปเธอตายจริงหรือเปลไม่เห็นไม่เห็นใจสักทีเป็นของยากเหมือนกันว่าถึงเรื่องยากว่าถึงเรื่องง่ายถ้า ง, ง่ายนิดเดียวไม่ต้องว่าหาไกลอยู่ตรงนี้แหละใตอีกทางไปนี่แหละ คืทอทำอกทากลาง อ, อกเนี่ยอยู่ใต้นิดเดียวหาเห็นง่ายๆ่ายแต่ไม่หานั่สิหาก็ไม่เห็ น, นเนั่ยสิเมื่อไม่รู้ตัวมันรู้ตัวมันจะเห็นแต่เดียวเดียวน่ง่ายสบายเลยจริงอยู่ผู้ที่เข้าฝาเข้าโรคเกิดจริงอยู่ ไปทำไปเหวที่ไหนก็นจริงคือเพื่อประสบการณ์ น, นั่นเรียกว่าไปหาวิเวกไปหาความส ง, ง, งบใจกลาวตัวนี้แหละไปเมื่อส ง, งบทั้งป่าโลกนะ่ะมันมันเป็นสภายะดีที่สุดดีกว่าบ้านหรอกโคขัง มันสงบกายกายมันก็ไม่ได้เห็นผู้เห็นคนตาหูจมูกเนื้องายมันก็เห็นแต่ฝ่ายเตือนท่นจิตมันวางเวงเลยท่านมันเปลี่ยนแต่าภาพจากบ้านก็คือความวางเวงคือมาค่านเมื่อไม่เห็นความวางเวงหรือเห็นความวางเวงแล้วแต่ไม่เห็นใจกต่เท่าเก่ า, าท่านหายเกิดวางเวงขึ้นมาแล้ว จับตัวงเวงนั้นได้นั่นแหะจึงเห็นใจใครเป็นกคนดงเวง ใ, ใครเป็นคนดีเวงใครเป็นคนสงบจับตัวนั้นได้นั่นแหละจริงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราถ้าหากไม่ได้ดวงเวงก็เลยฟุ้งซ่านใหญ่อาการดงเวงจะเป็นกายเป็น มันจับตัวมันเวงไม่ได้เลยพุงซานใหญ่โตวัวาถาคิดถึงบ้านหนึ่งชองคิดถึงผู้ถึงคนคิดถึงสิ่งสงรารพัดทั้งหลวงหมดมันวังเวงนั่นแหะมันคิดไม่มีไม่มีหลักท่านหลักตั้งมั่นเอาไว้แล้วก็เนคิดหลักแล้วมันไม่ไปไหนหรอกอันนั้นไปไปป่าไปอยู่ป่ามันประสบเหตุการณ์หนึ่งหรือไปประสบอันตรายต่างๆทุกแสนทุกทีทุก กลัวแสงกลัวที่สุดกลัวถึงที่สุดเน่มันยังจะเห็นธรรมพึ่งไหนไม่ได้แก่พึ่งตนเองนั่นแหละเห็นธรรมอันพึ่งตนเองอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่กับคณะนา้าใสหมู่เพื่อนอนา้าใสคณะ เลยสุขสบายเสียเลยไม่เห็นความมีเวศ ว, วังเวงหรือไม่เห็นตนของตนตนคืออะไรความทุกข์นั่นก็เป็นก็ที่จริงแต่ตัวของเราเนี่ะตัวใจเนี่ยนะมันสุขกว่าดีเพิ่งหมูเพิพ่งเพื่อพวกเพื่อนกับตัวใจเนี่ยเพิ่งจักใจตัวนั้นนะนนนนแล้วอ๋อตัวนี้มันคนนี้มันเพ่งคนนั้นมันซึ่งสิ่งอื่น อันจะขึ้นคนเองการจับใจนั่นแหละมันเกิดอยู่เหมือนกันจะเป็นอนุญาเราจับใจได้นั่นแหละเจว่าจริงทั้งพวงวัดมันเกิดจากใจทั้งนั้นซุปก็เกิดจากใจทุกข์ก็เกิดจากใจอยู่ในหมู่เลยทุนห้าก็เหมือนกันไปอยู่คนเดียวอยู่ในเวกีว่าก็เหมือนกัน ใจคนเดียวเงินเวทดีใจคนเดียวเงินวุ่นวายก็ดีทำยังไงคราวนี้จะจับใจตัวนั้นได้หาวิธีจับพมันได้ท่านให้หาอุบายจับตัวใจให้มันได้ใช้คำริกรรม เอุทโทรหรืออนาปารสติก็เอาให้ใจไม่อยู่คนนั้นจริงๆถ้าใจไม่อยู่มันไม่มีประโยชน์อกพุโทโธก็ดีอนาปารสติก็ดีมรณ า, น า, น า, าสติก็ไม่มีประโยชน์ยุบหนอพ้องก็มีประโยชน์สัมมาอรหังก็มีประโยชน์อะไรถ้าปฏิกรรมจิตไม่อยู่ในความปิกรรมนั่นแล้ว ให้มันอยู่แน่วแน่ในที่เดียวแล้วตัวนั้นเน่ยต้องการให้มันอยู่ในที่เดียวต้องการจับจิตจับใจให้มันได้แต่แล้วก็บางคนก็ถึงภาวนาพุโทโธก็เอาเถอะหรือภาว น, นาปาเสียได้ก็เอาเถอะตัวจิตจะไม่อยู่ในที่เดียวแล้วจับไม่ถูกอีกเลยไม่สราบอะไรเป็นอะไร นี่ข้อสาคัญที่สุดจึงว่าตัวของตัวใจขันจับไม่ได้แล้วจะทรมานมันยังไงยังไงมันก็ไม่ได้อยู่นั่นเองขอให้จับได้เถอะรู้จักใจรู้จักจิตไปสักคนเมื่อมันมาอยู่ในพุโทธโธพุทโธอันเดียวแล้วมาอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวแล้ว จากมันอยู่พุทโธคือใครว่าพุทโธพุทโธเกิดจากอะไรเกิดจากผู้คิดคุณนึกคุณรู้สึกมันยังค่อยนึกถึงพุทโธผู้คิดผู้นึกกับผู้รู้สึกก่ะมันยังค่เคยเกิดพุทโธขึ้นมาถ้ามีความรู้สึกแล้วกัะ เราไม่มีประโยชน์ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยพุโทโธก็ไม่มีจริงว่ามันมาอยู่กับพุโทโธแล้วค่ะนี่อย่าไปจับเอาพุโทโธเราเอาความรู้สึกเลยนะอันที่ว่านึกคิดกับพุทโธแล้วนะั้นพุโทโธมันก็หายไปขั้นปฏิกรรมหายไปหมดจะยุบเนาะเขาเนอะเราเด้ จะไปดูจะก้าวขาซ้ายขาขวาสูบนาอะไรต่างๆเกิดดับโอ้ยมันไม่ไหวเราจะไปเกิดยังปลายเท้าหุ่นเกิดที่ใจนี่สิเอาใจรู้จักเกิดดับไปเดีวเกิดดับมันมันเกิดดับแล้วมันเกิดเกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปมันก็อยู่เฉพาะใจที่เดียจะไปเอาอะไรปลายเท้า จิตใจมันอันเดียวมันไม่ใช่หมีมากมายอะไรหรอกอันเดียวสะนะคันนึกพุโทโธเท่านั้นอ่ะมันก็ไม่อยู่กับความนึกกับพุโทโธนะ่ะความรู้สึกกับพุโทโธนะเรื่องนาฟาสติสะนะิมันไม่อยู่ในนั้ น, น, นเลยอันที่มันหลายนะั่นเพราะเหตุที่ใจเลี้ยวที่สุดพุทพลาดพูดพลา ด, ดไปเนื้อเนี่ยแรงต่าเลี้วที่สุดจับไปไนหะ้ มันถ้ายจัดแล้วใจช้าไม่เร็วหรอกอยู่ช้าอ น, นี้เดียวมันยากเหมือนกันหานเมันของมีตน ม, ตมีตัวพูดแล้วก็พูดปไปอย่างนั้นมันมีไม่มีตัวแต่ว่าความรู้สึกมีอยู่ กูรู้สึกว่ามีอยู่นะนะมันมีมนตัวตรงนั้นควารู้สึกนี้กลายเป็นตัวขึ้นมาทีเดียวเห็นชัดขึ้นมาแน่ น, น่นเลยนึกถึงพุทโทรหรืออนาฝาสติอยู่นา น, านานเลยเขามันจะค่อยเทาลงไปค่อยอ่อนลงไปความคิดคนหนึง่ง มันไม่เร็วหรอกมันไม่เร็วไม่ไม่วิ่งเร็วหรอกคล้อยอ่อนคล้อยๆไปคล้อยเย็นลงเย็นลงสงบเยือกเย็นลงขานี้มันจะเข้าถึงใจในกันจิตอันที่มันคิดนะ่ะที่มันคิดมันปรุงมันแต่งสาราพัดทุกอย่างเป็นจิตมันมันนึกคําิธีการมันก็เรียกว่าจิต ท่นแม่ไม่นึกไม่คิดแต่แล้วน่ะมันรู้สึกเฉยๆอยู่เข้าเป็นใจจิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้บางคนเอาเข้าใจเอาจิตมาเป็นใจที่จริงถ้าจะพูดเหมือนกันนั่นแหละจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตนั้นให้ไปพูดเหมือนกันแต่ว่า พูดทำไมยังพูดสองคำท่านเดียวทําไมยังต้องพูดสองคำมันต้องมีแปลกกันสิมันมีพิสแตกต่างอย่างนี้เลยที่ว่าจิตกับใจมันคนลออ่านแตอันเดียวกันเนี่ยนะอันเดียวกันเพราะเหตุที่ว่ามันมารวมมาแล้วจิตหมดมาเป็นใจมารวมมาเปิดใจมือนเราทําสกิบมันอาจจะกีบน่ะด้วยต้องแข็ง กระน้ำธรรมดาธ ร, รมดาเลยนะเพราว่าทำเก็ถูกพอาร้อนอมเย็น เ, นเขาเลยแข็งเกินมวาเรื่อน้าแข็งใช่แระน้ำมันเย็นเนี่ยเหตุนั้นจริงว่าจับใจจิตตรงน้าให้ได้เสียก่อนอย่าเพิ่งเอาใจเลยอย่าเพิ่งเอาใจก่อนเลยจับจิตทันมาได้เสียก่อนแล้คราวนี้เราจะเลียจิตอ่ะพิจารณากาย พิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเอาใช่ไหม น, นะเขาใช้ใช้จิตผ่านถ้าจัดได้ดก็ใช้จิตเลยอย่างจิตใช้เราทำไมคิดมันเนื่งกรุงมันแจงตรงสายสรรัตว์ปัญหมันใช้แล้วเราเ่ะถ้าเราใช้มันนะครี้พิจารณากายแห้งพิจารณากายเห็นฟังวัตถภาสติปุลสัตว์ปัญหา ท, ทุกอย่างอ่ะ เห็นของปฏิกูลเกิดเน่าเห็นเรองเกิดความดับส่วนตัวงเราที่มันเกิดมันดับจะไปพิจารณาคนอื่นพิจารณาตัวนี้แหละใช่อนมคนอื่นมันเห็นนรามันเกิดมันดับมันทุกข์ทรมานตัวขงเราเนี่ยแหละพิจารณาคนอื่นไม่ใช่เราไม่ไม่ไม่ใช่ทำมันเป็นการส่งมาหาคนอื่นใช่ พิจารณาตัวของเรานี่ยังไม่ป็นหมดไม่ทันพอพิจารณาของเรายังไม่ทันหมดทันพอแต่พิจารณาคนอื่นมันก็ส่งไปข้านอกกันสิ <ś> พิจารณาตัวของเรานี่ให้อยู่ในที่อยู่ในนี้แหละพิจารณากายในกายทำว่าพิจารณากายในกายนะพิจารณาได้มันนิ่งลงไปมันไม่ออกจากกายแล้วพิจารณากายในกาย พิจาากายแะ้วกเป็นนั้นว่าพิจารณาเวทนามันก็นกายนั่นนหะเวทนามันออกจากกายนั่นแหละเวทนาถ้ามีกายมีเวทนาหรอกสัตว์ตะกนรกอะไรต่างๆที่มันมีได้จิตมันถือว่ากายนั่นแหะมันยังไม่ไปตกนรกไปสวรรค์มันก็ถือว่ากายนั่นแะ มันไม่มีกายแไม่ไม่มีแล้วมันมันไม่ทุกหรอกมันถือว่ากายมีมันถือว่ากายทุกมันปีติจิตมันจะถือว่ากายมีนั่นนันฟุ้งแตกหรอกมันยึดมันถือจึงคอยทนทุกข์ทรมานถ้าพระเจ้าท่านต้องการชำระอันกายมาให้ยึดไม่ถือน่ะจีงก่อสอนให้พิจารณา กายในกายให้มันอยู่ในกายยังให้ชมไปที่อื่นจิตเมื่อพิจารณากายในกายแล้วมันกายมันจะหายหมดไม่ปรากฏเลยมันเอาแต่จิตแต่เดียวมันอันเดียวกันนั่นแหละเวทนาพิจารณาเวทนายแค่เดียวพิจารณาจิตแต่เดียวเท่านั้นพิจารณาธรรมแต่เดียวเท่านั้ พิจารณากายเป็นอะไรว่าพิจารณาเวทนาในตัวเพรเวทนาเกิดจากกายพิจารณาเวทนาในเวทนาก็เช่นเดียวกันพิจารณาเฉพาะเวทนาเท่านั้นนะเอาอื่นไกปอันใดมดไปเอาละถ้าหากยังไม่ทันเข้าถึงกายในไมพิจารณาถึงเวทนาใน ก็ให้พิจารณาสายภายนอกสก่อนแต่อย่าให้ออกไปนะล่ะอย่าให้ไปปีกพี่ไหนคนอื่นพิจารณาเวทนาพิจารณาเวทนาของเราเนะ่ะความสุขความทุกข์เกิดร้อรนวุ่วายก็แทบก็สายที่มันเกิดขึ้นมาตัวนั้นแนหะเวทนาพิจารณาเวทนาในในเวทนาทนะ่าน พิจาาจิตในจิตก็เหมือนกันพิจารณากายอะไรพิจารณาเรจิตนั่นเลยพิจารณาพิจารณาเวจาณาก็จิตนั่นเลยแบบไปพิจารณานั่นแหละเป็นธรรมจิตตัวนั้นแหะเป็นธรรมคัิพิ ai, จารณากายในกายเวจารณาเหตนาเวทนาในเวทนาพิจาณาจิตในจิตแต่ก็นั่นแหละเป็นธรรม ก็เป็นนั้นว่าสติปัฏฐานสีครบบริบูรณ์หมดนี่คือพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะรวมลงมาจิตมันจะหลวมเข้าไปหาใจอยู่แล้วของมันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องไปอื่นไกลพิจารณาอื่นไม่ถูกแล้วอยู่ด้วยกันโมมากนึ่ง ทางคน้นทางพิจารณาของใครคนนั้น อ, อยู่เงียบสบายไม่มีการเกี่ยวข้องวุ่นวายกันวุ่นวี่วายกันเลยสงบมดทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่มันเกิดวุ่นวี่วายเกี่ยวข้องผูกันกันมันส่งออกไปนอกของนั้นคนนั่นเป็นอย่งังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรต่างๆทัศนว่าทุกอย่างคนนั้นผิดคนนั้นถูกคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ถูกอะไรต่างๆอู้หู้ยไใหญ่โต ทันทีในในตัวของเราเนี่ยมุดเรื่องกันต่างคนต่างพิจารณาและสบายมนุษย์เดืกลายเป็นสวรรค์สวรรค์ที่กลายเป็นอินเป็นพรมอินเป็นพรมก็เลยจะกลายเป็นพระนิพพานในตัวเลยไม่ไม่หาใครไปวิ่งเส้นหาที่ไหนพันพิจารณาถูกไปอยู่ในนีิมมุดทุกสิ่งทุกอย่าง อาแล้วยีน่นาที่บายกันก็ไม่ทราบจะพูดอะไรกันอีกพูดถึงเรื่องจิตมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจแล้วก็หมดทนันใดน่ะไม่ทราบจะพูดอะไรขอให้หาตัวจิตอย่างอธิบายให้ฟังแล้วก็พอะวิธีหาแล้วก็พูดให้ฟังมาแล้ว ตัวจิตก็พูดให้ฟังแล้วตัวใจก็พูดให้ฟังแล้วก็เท่านี้แหละ ว, วิธีทำกรรมฐานพุทธศาสตร์ธรรมานนี่ก็สอนเท่านี้แหละไม่สอนอื่นไกลที่สอนไปดินรา้งวงกวงมันเป็นปรีกย่อยของมันตั้งหากหัวข้อใหญ่ใจคนจะแท้ลงนี่ทั้งหมดหมดเลยไม่มีทางสอน ขอแค่ให้พากันั้งใจทำาถึงเชื่อว่าจิตมีใจดีความเชื่อนั้นมั่นอยู่ในใจของเราและเราพยายามทำสามารถที่จะเห็นและสามารถที่จะเปิดนไปอย่าท้อถอยสเสียแล้วกันคนที่เชื่อมั่นว่า ของใจของเรามีอยู่ตรงนี้แหละจิตของเราอยู่ตรงนี้แหละดูที่กายนี่แหละแล้วคุดค้นคุดหาในที่นี้แหละพยายามหาโดยเงียบคายต่างๆแล้ว อ, อุบายขึ้นมาพิจารณาเสีเวลามันจะเกิดขึ้นมามันจะเกิดคมรู้ขึ้นมาเงียบคลายอันใดอันหนึ่ ง, งขึ้นมาเกิดเพื่อเฉพาะตัวเอง อย่างว่าเห็นชัดขึ้นมาแลยอ๋อเป็นอย่างนี้หรอกธรราอ้อเลย่ะตัวออเนี่ยตัวอ้อเลยนะบางอ้อเลย่ะเขาเรียกบางอ้อมันลงทั้งบางอ้อนั่นแหละนั่นแหะตัวเงียบขายแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นคันลงบางอ้อแล้วมันไม่เห็นชัดแต่มันลงบางออนั่นแ่ะเรียกว่าอันเรียกว่าเงียบขาย จ ะ, จ, ะออ จ, จะเทียงอุบายนี่ยทำไปเถอะใครจะทําไปเถอ้ใก็ทําไปเถอะมาถึงบางอ้อสักทีจึงไว่เงียบขายนพูดไม่ถูกพูดในการฟังไม่ได้หรอกได้แต่เพียงอุบายพูดในฟังแหวนนีน่ถ้าหากพูดถึงบางอ้อแล้วเอาเอาเงียบขายมาพูดให้ฟังอีก อันนั้นก็เป็นอุบายอีกคนอื่นเอาไปใช้เป็นอุบายอีกเขาเอาอุบายนั้นไปใช้มันจะเกิดบาง อ, อ้อยอีกคนแนตะ่ในคนนะั้นถ้าหากมันเกิดบัง อ, อ้อยนั่นเป็นเป็นเงียบขายเกิดขึ้นในตัข้างตนธรรมะเป็นของลึกแลกอยู่ตรงนี้เดียนิดเดียวเท่านี้แหละเป็นของลี้ลับอยู่นิดเดียวเท่านี้เลย จริงที่จะเกิดขึ้นมาแล้วโดยที่มันตั้งใจจะให้เกิดมันจะเกิดขึ้นมาอันจริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่คิดไม่นึกและไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนหากรูก้รู้ขึ้นมาเองในถ้าไม่จางพุทธเจา้าท่านอ่ะ ไออ น, นันโตสุเตสุธามเมสุคือว่สิ่งนี้มันเคยได้ยินแต่ก่อนแต่เก่ า, กาอือพระพุทธเจ้าเรีนว่างั้นสิงที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเกิดขึ้นมาเองนั่นเป็นของชัดคือมาเข้ใจแต่ว่า น, นันโตสุเตสุธามเมสุพระพุทธเจ้าเรีนเทศสาวะ เ, เหมือนกันเราก็เหมือนกันนั่นแหละ ตั้งใจครั